ถวายยานัตทั้งรู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพถามถ้าพระอยากได้ยานัดแต่เรารู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพท่านอย่างนี้ควรถือเอาตามความคิดพระหรือเอาตามความคิดเราที่จะดีกว่ากันตอบถ้าถวายของตามประสงค์ก็ได้บุญในแบบคนตามใจพระ ทำบ่อยๆจนตั้งมั่นวันหนึ่งก็จะมีคนตามใจเราตลอดเหมือนกันแต่การถวายตะพื้นตะพือโดยไม่ดูผลเสียที่จะตามมากับท่านก็เรียกว่าเป็นการตามใจพระแบบขาดสติขาดการพิจารณาวันหนึ่งคุณก็มีคนตามใจจนหลงตัวหลงระเริงไม่มีใครคิดห้ามหรือไม่อยากให้มีใครห้าม เรียกว่าทำบุญแบบไม่ใส่เบรกย่อมได้ลดแรงที่เบรกไม่ได้เรื่องเป็นกำนันถ้าเป็นพระที่คุนเคยกันคุณควรให้คำแนะนำแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมาพระก็คนคนเราไม่มีใครรู้ไปหมดแต่หากเป็นพระที่คุณเกรงใจก็ควรจัดหาของอื่นที่ใกล้เคียงแต่ไม่เป็นโทษมาถวายแทน และอธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณไม่อยากได้บาปทางอ้อมด้วยการหาของเป็นพิษมาถวายพระครับ